มาบ้านหลวินไม่พอเลยมาสร้างตรงนี้ขึ้นมาคราาูบาอาจารย์ท่านก็เมตตามาสืบต่อกันมาเรื่อยมีองค์หนึง่งคือครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อเองคือหลวงพ่อพุธหลวงพ่อพุธท่านก็เคยสั่งสั่งกันต่อๆมาบอกว่าอย่าทิ้งที่นี่ริงสถานที่นี้อันนี้ที่นี้ทําประโยชน์ให้กับคนมากนี่หลวงพ่อเอง เราไปบวชใหม่ๆไปอยู่ที่เมืองกาโยมทางตะรันชินโยมีิติตติโยมพิติ๋วพิจิ๋วลูกลูคิดเคยไปนิมนต์หลวงพ่อเขาให้มาที่นี่หลวงพ่อเากระดิเสนมาตลอดนะเพราะว่าเราเป็นร้านใหม่เธเลือ์สล่ามันคงไม่ดีน่าเกลียดนี่ตอนนี้องพ่อย้ายวัดไปอยู่ศรีราชาที่ศรีราชานี้ มันใกล้นะใกล้กรุงเทพแต่ว่ามันไม่ค่อยมีรถไปจำท่าหยวงพ่อก็เลกถึงคนซึ่งเดินทางยากจะไปหาหลวงพ่อที่สีราชามปนยากอดีพวกเด็กกลางาธรรมคุณาคุณแล้วก็เลยไปให้มาช่วยสอนในกรุงเทพเเเเเเที่แรจะชวนไปที่ปานา น, น่าเนี่ยพามาที่นี่ดีกว่า จริงๆก็คือผูกพันกับที่นี่มนาคนรูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ที่ท่านนั่งสอนวนนี้ท่านไปยะเยอะละหลวงพ่อเลยย้ายไปโยะนลงข้างล่างยังไม่อยากตามท่านไปเร็วนะพวกเราสนใจธรร ม, มนะดีที่สุดแต่ก่อนเข้าไปศึกษากักครูบาอาจารย์ท่านจะบอกตลอดเลย ธรรมะมันง่ายนะการปฏิบัติจริงๆเป็นเรื่องง่ายาเรามีความสุขมีความสุขมากเนีย่ยเราปฏิบัติเนี่ยถ้าเราปฏิบัติได้ถูกต้องชีวิตของเราจะพบความสุขอย่างรวดเร็วมากเลยธรรมะของพระพุทธเจ้าอัศจรริงๆนะวิเศษจังถ้าทําถูกต้องเนี่ยใช้เวลาไม่นานแต่ถ้าทําไม่ถูกต้องใช้เวลานา น, านที่ไม่ถูกต้องก็คือไม่ใช่คําสอดของพระพุทธเจ้า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 ที่จริงแล้วคนก็สแสวงหาทางคนทุกข์มาตลอดใคจก็อยากคนทุกข์ทั้งนั้นตอนพระพุทธเจ้าเขาก็สแสวงหาทางคนทุกข์กันแระทั่งหมูเห็ดเป็ดไก่อะไรมันก็สแสวงหาทางคนทุกข์ของมันนี่การสแสวงหาทางคนทุกข์ที่มีมาตลอดเนี่ยมันก็สแสวงหาไปได้ตามชั้นตามภูมิตามความเข้าใจตามสติปัญญาของแต่ละคนแต่ละท่านไม่เหมือนกันบางคนหาทางคนทุกข์ด้วยการเสพสุข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 วิธีหาความสุขอย่างนี้พวกศาตร์ในฉันก็ทําเป็นเช่นมันหิวขึ้นมาก็ไปหาอะไรกินกินอิ่มแล้วมีความสุขนี้ตามมาคนมีสติปัญญามากขึ้นเห็นว่าลําพังวิ่งหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นใจใจยังไม่สุขจริงหรอกต้องเที่ยวหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจไปเรื่อยๆมันขึ้นทิงสิ่งใส่นอกมากไปหลายคนก็เลยมาหาความสุขทางจิตใจของตัวเองโดยเฉพาะพวกฆวัตทั้งหลาย มีความรู้สึกขึ้นมาเรื่อยๆเลยเพระว่าถ้าเราสามารถควบคุมจิตใจของเราให้อยู่ในอำนาจของเราได้เราจะมีความสุขงั้นก็เลยเกิดการสแสวงหาความสุขวิธีที่สองขึ้นมาก็คือการรักษาใจของเราให้ดีคนด่าใจเราเข้เฉยคนชมใจเราเข้เฉยวิธีหาความสุขอย่างนี้ก็เพื่อตัวเราจะได้มีความสุขอันนี้ก็ยังไม่ใช่ต่างของพระพุทธเจ้าทีเดียว เป็นการปรุงแต่งฝ่ายกุศตนปรุงแต่งความดีขึ้นมาแล้วชีวิตจะได้มีความสุขอย่างคนดีๆทุกอย่างคนดีได้ก็ทุกอย่างคนดีได้นี้บางคนฉลาดกว่านี้อีกเห็นว่าถ้าตราบใดที่ยังต้องคอยรักษาจิตใจเอาไว้มีการกระทบมันคอยกระเทือนต้องคอยรักษาอยู่เรื่อยๆยังไม่สุขจิตอีกพวกหนึ่งก็เลยคิดพัฒนาขึ้นไปถ้าเราไม่ต้องกระทบอารมณ์ซะเลยมันจะมีความสุข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 ตัดสนอากิเลสไปเรื่อยๆแล้วก็มีความสุขการหาความสุขอย่างนี้เป็นความปรุงแต่งฝ่ายอคติลเรียกว่าอคุญญาณิสังขารหรือเป็นความฝึกโตงในข้างที่เรียกว่าการมาสุขัาริการุโยคตามใจกิเลสแล้วมีความสุขอย่างที่สองที่คอยควบคุมคอยบังคับตัวเองอันนี้เรียกว่าความปรุงแต่งฝ่ายกุสนิคุณญาณิสังขารหรือเรีออกฤฤยกอัตต์ปิรัมภานิุโยค การบังคับควบคุมใจการปรุงแต่งอย่างที่สามหีกเลี่ยงการกระทบอารมณ์เรื่ออาเรนชาที่สั่งตัดนในโลกมีการปรุงแต่งสามอย่างนี้การปรุงแต่งสามอย่างนี้กระทาไปเพื่อตอบสนองอัตราตัวตนทั้งสิ้นพราเราไม่รู้ความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเราคิดว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเราอยากให้ตัวเรามีความสุขอยากให้เราตัวเราพ้นทุกข์ก็เลยต้องยึดโยนปรุงแต่งสามแบบนี้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 ครูบาอาจารย์สอนมานะอย่างหลวงปูง่เทศเคยสอนบอกรู้ทุกนั่นแหละละสมุทยัยถ้าเรารู้ทุกแจ่นแจ้งรู้ว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เรานะละลสมุทัยคือละความริ้นรนใจมันจะเลิกริ้นรนเที่ยววิ่งหาความสุขเลิกริ้นรนเที่ยววิ่งหนีความสุขใจที่มันเลิกริ้นรนมันจะเข้าถึงความสงบสุขที่แท้จริงอันนี้เรียกว่านิโรธ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 อะไรเกิดขึ้นในกายพอรู้อะไรเกิดขึ้นในใจพอรู้รู้มากเข้ามากเข้าปัญญามันเกิดไปเกิดความเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจพอเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจไม่ใช่ตัวเราความดิ้นรนในใจจะหมดไปผิด ท, ที่หมดความดิ้นรนหมดความปรุงแต่งนั่นแหละผิดเข้าถึงสันติสุขหรือนิพพานนิพพานไม่ใช่โลกโลกหนึ่งในตอนที่ทำจะสอนชัดๆในนิพพานมีสันติลักษณะ มีลักษณะสงบสันติสงบจากอะไรสงบจากกิเลสสงบจากอะไรสงบจากขันขันก็คือกา ย, กายใจเราเนี่เป็นเครื่องเสียดแทงนี่หน้าที่พวกเราคอรู้สึกอยู่ที่กายคอรู้สึกอยู่ที่ใจตัวเองกรรมฐานเนี่ยถ้าเลยกายเลยใจของเราออกไปแล้วก็มันเผือแปดมันอ้อมคล้อมไป แค่คอยรู้อยู่ที่กายคอยรู้อยู่ที่ใจครูบาอาจารย์รูปหนึ่งเคยสอนหลวงพ่อสมัยหลวงพ่อยังไม่ได้บวชแถ้าสรุปให้ฟังง่ายๆนะท่านบอกว่าการปฏิบัติเนี่ยนะให้มีสติรู้ลงที่กาย ร, รู้ลงที่ใจอย่างเป็นปัจจุบันมีเท่านี้เองมีเท่านี้เองครูบาอาจารย์รูปนี้ตอนนี้ท่านก็ยังอยู่นะเป็นเนสาหลักของสายวัด ต, ตาเราเรารู้อยู่ที่กายเราอยู่ที่ใจ นี้ทำยังไงเราจะรู้กายรู้ใจได้ตัวนี้เรื่องำสำคัญเราต้องเรียนต้องค่อยๆศึกษาเราจะรู้สึกว่าเรารู้กายรู้ใจตัวเองอยู่แล้วในความเป็นจริงในโลกนี้ไม่มีคนรู้กายรู้ใจตัวเองหรอกมีแต่คนหลงมีแต่คนเสอือคนที่สามารถรู้กายรู้ใจตัวเองได้มีนับตัวได้มีนักตัวได้ส่วนมากก็คือเราจะตื่นขึ้นมาจากกายแต่ใจของเราเนี่ยจะคิดคิดสั่นๆไปทั้งวัน ใจเราไม่ตื่นนะใจเราจะคิดใจเราจะฝันไปเรื่อยๆเราต้องค่อยๆฝึกนจนใจของเราตื่นขึ้นมาตืน่นทั้งกายตื่นทั้งใจนะจิตใจที่ตื่นขึ้นมานั่นแหละคือ ต, ตัวพุทโธที่เรียกว่าผู้รู้ผู้ตืน่นผู้เบิกบานจิตใจของเราไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตืน่นผู้เบิกบานจิตใจของเราส่วนใหญ่ในโลกเป็นผู้คิดผู้นึกผู้หลงผู้แต่งไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตืน่นผู้เบิกบานสังเกตให้ดีใจเราเนี่ยตั้งแต่ตืน่นนอนจนหลับนะเราคิดทั้งวัน เรารู้เรื่องราวที่เราคิดสังเกตให้ดีนะพวกเราเวลาเราคิดอะไรไปเนะี่ยเรามากกักจะรู้เรื่องที่เราคิดเรื่องราวที่เราคิดนี่เรียกว่าสมมติบัญญัติแต่ในขณะที่เรารู้เรื่องราวที่เราคิดนะเราจะลืมกายลืมใจตัวเองมีกายก็เหมือนไม่มีนะเช่นนั่งอยู่ไม่รู้ว่านั่งอยู่นั่งฟังหลวงพ่อพูดรู้เรื่องไปยับห น, น, น้า น, นึกๆๆนะั่ใจไปที่อื่นนะเราไม่รู้กายนั่งกายเครื่องหวยไม่รู้สึก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 เพราะงั้นการปฏิบัติเนี่ยถ้าเข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกแล้วเราจะตื่นในฉับลันธรรมะเนี่ยใส่เข้าถึงแล้วจะอุทานบอกว่าอัศจรรย์จริงจิอัศจรรย์ดูในพระไตรปิฎกนะเวลาพระพุทธเจ้าเทศน์จบคนจะอุทานว่าอัศจรรย์จริงจริงแจ่มแจ้งนักพระเจ้าข่าวนะแจ่มแจ้งนะไม่ใช่ว่าสับสนนักพระเจ้าข่าวนะแจ่มแจ้งนักพระเจ้าข่าเหมือนเปิดของควาญให้งานของง่ายๆ พระพุทเจ้าก็เหมือนคนจุดไฟขึ้นมาแล้วคนตาดีก็มองเห็นแสงสว่างมองเห็นสิ่งต่างๆงนั้นธรรมะจริงๆไม่ใช่เรื่องยากงแต่พวกเราไม่ค่อยได้ยินไม่ค่อยได้ปรับเราชอบอินเอาเองชอบหลงอยู่ในโลกของความคิดเมื่อไหร่จะตื่นขึ้นมาอยู่ในโลกของความเป็นจริงตัวนี้ที่ยากที่สุดทางลัดที่สุดที่จะตื่นขึ้นมานะก็คือรู้ทันวัาใจเรามีปีคิ ด, คด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 ในโลกนี้มีแต่คนที่รู้เรื่องที่จิตคิดแต่ไม่รู้ว่าจิตกําลังแอบไปคิดอยู่เงนั้นหน้าที่ของเราคอศึกษาคอยสังเกตตัวเองศึกษายัางไงสังเกตอย่างไงเอาตั้งแต่ตอนนี้เลยศึกษาตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยเรียนจากหลวงพ่อนะไม่ต้องเรียนแล้วฟังเอ้เรื่องเรียนรหัสสังเกตสภาวะจริงๆไปเลยนั่งฟังหลวงพ่อพูดสังเกตไหนเดี๋ยวมองหน้าหลวงพ่อแวบหนึ่งเดี๋ยวฟังหลวงพ่อพูดหน่อยหนึ่งแล้วก็แอบไปคิด ดูออกไหมฟังไปคิดไปไม่ได้ฟังอย่างเดียวฟังนิดหนึ่งแล้วก็คิดแต่คิดตามไปนะแล้วก็ฟังใหม่ฟังอีกหน่อยหนึ่งคิดใหม่เดี๋ยเราจะฟังไปคิดไปบางทีก็มองหน้าหลวงพ่อนิดนึงนะแ ล, แล้วก็มาฟังฟังแล้วก็คิดเราไม่เคยเห็นเลยว่ากระบวนการทํางานของใจเราเป็นทำแบบนี้เดี๋ยวฟังเดี๋ยวดูเดี๋ยวคิดนะ จริงมันไปทางตารู้จะหูกลิ้นใจใจนั่นแหละแตนที่ไปมากก็คือไปทางตาไปทางหูงไปทางใจขณะที่เรานั่งอยู่เนี่ยสังเกต ด, ดูเดี๋ยวฟังเดี๋ยวดูเดี๋ยวคิดสลับไปเรื่อยเรื่อย่ให้เราคอยรู้ทันนะถ้าเรารู้ทันปัจจเราไปคิดแทบเดี๋ยวขณะจิตนั้นเราจะตื่นขึ้นในสัมพันธ์เพราเราจะหลุด อ, ออกจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความจริงในฉับปันธทันทีที่เราตื่นขึ้นมาเราอยู่ในโลกของความจริงแล้ว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 คนทั่วๆไปไม่มีใครรู้สึกหรอกว่ากายกับใจเป็นทุกข์แต่ทั้งพวกเราในห้องนี้นะสิ่งที่พวกเรารู้สึกก็คือร่างกายนี้เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างจิตใจของเราเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างนี่เราไม่ได้เข้าใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนท่านบอกว่ากายเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์แต่เราเห็นว่ามันทุกข์บ้างสุขบ้างทำยังไงจะเห็นว่ามันเป็นทุกข์จริงๆโรงกลางคำสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าไม่สามารถเห็นว่ามันเป็นทุกข์จริงๆแต่เห็นว่ามันทุกข์บ้างสุขบ้างเราจะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจไม่ได้เพราะอะไรเพราะกายนี้ยังมีทางเลือกมันสุขก็ได้ทุกข์ก็ได้เพราะงั้นเราขอเรื่องเอาสุขไว้ก่อนขอเรื่องวิ่งหนีความทุกข์ไว้ก่อนจิตใจก็เหมือนกันถ้ายังมีสุขบ้างทุกข์บ้างเราก็จะเรื่องเอาจิตใจที่มีความสุขหลีกหนีจิตใจที่มีความทุกข์เพราะงั้นจะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจไม่ได้จริงแต่ถ้าเมื่อไหร่สติปัญญาแก่กล้า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 หลวงพ่อจะบอกว่าวิธีเห็นกายเป็นทุกข์กับวิธีเห็นจิตเป็นทุกข์วิธีเห็นกายเป็นทุกข์ไม่ยากนะแต่อย่างเรานั่งอยู่เนี่ยพืรู้สึกไว้อย่าใจลอยอย่าเผลอไปคิดอะไรเรื่อยเปื่อยพืรู้สึกตัวเองเป็นระยะระยะเราจะเห็นเลยว่าเรานั่งอย่างสบายๆแต่เดียวเดียวก็เมื่อยนะนั่งแต่เดียวเดียวก็เมื่อยพอเมื่อยแล้วเราทํำยังไงเราก็ขยับตัวเราเปลี่ยนอิริยาบถนะพอเมื่อยปุ๊บเราก็ขยับอัตโนมัติเี่ย ถ้าเราหนีความเมื่อยด้วยวิธีนี้มาตลอดชีวิตแล้วเราไม่เคยรู้สึกเลยพอมเมื่อยขึ้นมาแล้วก็ขยับตัวปั๊บความเมื่อยหายไปนะเรารู้สึกไม่เห็นจะทุกตรงไหนเลยแต่เดี๋ยวความเมื่อยก็ตามมาทันอีกแล้วก็ขยับอีกนะนั่งอยู่ก็นั่งขยับไปเรื่อยๆนะยืนอยู่ก็ยืนขยับไปเรื่อยๆนะเดินมันก็ขยับอยู่แล้วเราเดินมากๆมันก็เมื่อยนอนอยู่ยังเมื่อยเลยนั่นคือเนี่ยคนเรานะคนกปกติเนี่ยสมมติ น, นอนแปดชั่วโมง จะนอนพลิกซ้ายพลิกขวาพลิกซ้ายพลิกขวาไม่ต่ำกว่าห้าสิบครั้งทํ า, าทไมต้องนอนพลิกก็เพราะมันมันเป็นทุกขน์นี่ความทุกข์มันดิบคั้นร่างกายมันทําให้ต้องคอยขยับหนีไปเรื่อยๆอิริยาบถหรือการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยมันปิดบังทําให้เรามองเห็นความทุกข์ของกายไม่ได้นเนื่องจากเรานั่งอยู่เนี่ยนั่งไปนั่งแค่สบายๆนะมีตังมากๆไปซื้อเอสื้อยี่ตัวละแสนมานั่งก็ได้ดูซิมันจะมีความสุขจริงไหม ถ้าไม่ขาดสตินั่งประเดี๋ยวเดียวก็จะเห็นแล้วมันทุกข์นะมันทุกข์จริงๆมันทุกข์ล้วนๆนั่งไม่ขยับตีทุกข์ตายเลยนะถ้าเป็นอมราธเป็นอะไรยิ่งกระดุกกระดิษ์ไม่ได้นะทุกข์มากเลยแล้วก็รีบหนีความทุกข์ไปทั้งวันแั้วแต่ตื่นจนหลับหลับแล้วก็ยังดิ้นไปดรีบมานี่ยถ้าเรามีสติรู้กายอยู่เนืองๆจะเห็นในกายนี้ทุกข์ล้วนๆเลยไม่ใช่ทุกข์บ้างสุดบ้างคราวนี้มาดูจิตใจบ้างธรรมะก็มีแต่เรื่องกายกับใจนี่แหละ รู้กายแล้วว่ากา ย, กายกเป็นทุกข์ก็มาดูใจของเราจะเห็นว่าใจเราหมันไม่เที่ยงความสุข ก, ก็อยู่ชั่วคราวนะความทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวบุญสนเกิดขึ้นก็ชั่วคราวเช่นเราเกิดความรู้สึกตัวเราจะรู้สึกตัวได้แว บ, บเดียวเดี๋ยวก็จะเผลอเดี๋ยวจะลืมตัวฟังใหม่เพราะฉะนั้นตัวบูญสนหรือความรู้สึกตัวหรือตัวสติเองก็เกิดชั่วคราวเหมือนกันไม่มีใครรักษาความรู้สึกตัวให้ต่อเนื่องยาวนานได้สิ่งที่ทําให้ต่อเนื่องยาวนานได้มีอย่างเดียวคือสมาธิ เดี๋ไม่ใช่ตัวสตินะสติไม่ต่อนะต่อเรื่องยาวนานนี่เกิดแลด้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเป็นขณนะขณะไปอภิสุจน์อย่างวาวากกวาความโลภความโกรธความหลงก็เกิดเป็นขณะขณะเหมืนนอนกันเช่นที่หลวงพ่อบอกให้หักไอเทียนนะนั่งฟังหลวงพ่ อ, อเดี๋ยวก็ดูเฮ้ยใจมันไปดูนะไปดูอาศัยตาเป็นทางผ่านไปดูรูปอาศัยหูเป็นทางผ่านไปฟังเสียงอาศัยใจเป็นทางผ่านไปคิด ตาหูจมูกลิมใจใจทํางานหมุนจีจีจีอยู่ทั้งวันเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวก็ฟังเดี๋ยวก็คิดสังเกตแดงเราหาความเพี่ยงแท้อะไรไม่ได้ใจเราวิ่งคลานคลานตลอดเวลาใจเราถูกความอยากหยิบค้ำอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็อยากดูเดี๋ยวก็อยากฟังเดี๋ยวก็อยากคิดเดี๋ยวอยากโน้นอยากนี่รวมทั้งอยากปฏิบัติอยากฟังธรรมอยากไปวัดนะอยากมาศาลาลุงชินความอยากนี่มันบงการเราตลอดเวลา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 ดูตกคนที่ตกเป็นทาสเนยมันจะมีความสุขที่ตรงนั้นพอยดูอยู่ที่ใจเราจะเห็นเลยใจเราที่ถุกปกถุกตรัสับอยู่ทั้งวันหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้เลยมีแต่ความเหน็ดเหนื่ยนะร่างกายของเรายัางได้นอนพักแต่จิตใจได้แทบไม่ได้พักขอ่อนกลางคือก็ฝั่นต่ออยนะู่นะทรมาณมากมีความทุกข์มากคอยรู้อยู่ที่จิตใจเราเนี่ยจะเห็นได้จิตใจที่ทุ๊บมากจิตใจต้องทํา ง, งานทั้งวันทั้งคืนไม่ได้พักผ่อน ปลกตับตลอดเวลาเจ้านายมันโกล่มันตับตลอดเวลานี่เราก็ไม่รู้เราไม่เคยเห็นเราเป็นภาสที่ไม่รู้ตัวว่าเป็นภาสเมื่อเราเป็นภาสที่ไม่รู้ตัวว่าเป็นภาสเนี่ยเราไม่สามารถปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระได้เพราะเราไม่รู้ว่าเราเป็นภาสอยู่ไม่คอยดูใจเราไว้นะใจเราเดี๋ยวก็อยากไปนู่นเดี๋ยวก็อยากไปนี่นะเดี๋ยวอยากคุยกับคนนี้เดี๋ยวอยากโน่นอยากนี้ไปเรื่อยคิดว่าถ้าอยากได้อย่างนี้นะเราได้มาเราจะมีความสุข กิเลสมันหลอกเราแนะให้วิ่งหาความสุขวิ่งทั้งชาติก็ไม่ได้นะความสุขอะ่ะอย่างตอนเราเด็กๆเนี่ยเราจะรู้สึกเลยถ้าเรียนหนังสือจบจะมีความสุขพอเรียนจบปริญญาตรีมันบอกต่อนะต้องจบโทถึงจะมีความสุขนะถ้าได้ด็อกเตอร์ก็ยิ่งมีความสุขอ่ะพอเรียนหนังสือจบแล้วก็อย่างนั้นอย่างนั้นนะนะไม่เห็นมันจะสุขตรงไหนเลยในนี้ก็มีด็อกเตรอร์หลายคนนะ้วไม่เห็นจะมีความสุขเท่าไหร่ มันสอนเราต่อยนะถ้าได้งานดีๆจะมีความสุขถ้าได้เงินเดือนเยอะๆจะมีความสุขมีธรรมชาติตลอดเลยนะถ้าได้ตําแหน่งใหญ่ๆจะมีความสุขมีแต่ธรรมชาติเพราะฉะนั้นชีวิตนี้วิ่งหาความสุขทั้งชาติเลยนะต่อไปถ้าได้มีครอบครัวที่ดีๆจะมีความสุขมีลูกฉลาดๆจะมีความสุขแต่พอแก่ๆนะถ้าวันไหนไม่เจ็บไม่ไข้จะมีความสุข พอแก่ okay, มากจะใกล้ตายเจ็บปวดทรมานมากเราจะรู้สึกขึ้นมาอีกแถ้าตายเชื่ได้จะมีความสุขดูจนตายยังคิดติดนะถ้าตายได้จะมีความสุขได้วิ่งหาความสุขไปเรื่อยๆแล้ววิ่งพลานพลานพลานนะยิ่งกว่าหมาถูกน้ำร้อนนะพูดพูดแบบง่ายๆแตวิ่งพลานตลอดเวลาแล้วมันจะมีความสุขที่ไหนมันไม่ได้มีความสุขความสุขมันรออยู่ข้างหน้าตลอดเวลาวิ่งหาตลอดชีวิตก็ไม่ได้มันหมา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 แต่จิตใจใดูยากเพาไม่ใช่ตัวเร า, เราพระพุทธเจ้าท่านถึงสอนบอกว่าดูกอรที่สุดทั้งหลายภูตุชนที่ไม่ได้สดับหรือคนาศาสนาอื่นก็ได้ภูตุชนที่ไม่ได้สดับเนี่ยสามารถเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเราเพราะว่าเห็นนะคนน้นก็ตายคนนี้ก็ตายนะหน้าตาเราวันนี้กับหน้าตาของเราตอนเด็กๆก็ไม่เหมือนกันเห็นได้แต่ท่านบอกภูตุชนที่ไม่ได้สดับไม่ได้ฟังธรรมของท่านเนี่ยไม่สามารถเห็นว่าจิตไม่ใช่ตัวเรา แนะพวกเราร like, kind of <It> ู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเราตอนนี้กับเราตอนเด็กๆก็เป็นเราคนเดิมรู้สึกไหมในในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งนะเราเชียวนี้กับเราตอนเด็กๆก็ยังเป็นเราคนเดิมไม่ทราบอะไรเพราะเราไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตนั่นเองเราเลยคิดว่าจิตเที่ยงจิตของเราตอนเด็กกับตอนนี้คนเดียวกันจิตของเราวันนี้กับจิตของเราเย็นนี้ก็คนเดียวกันเราอยังเป็นคนเดิมอยู่ จิตของเราเดี๋ยวนี้กับจิตปีหน้านะก็เป็นคนเดิมไปไป แ, แล้วเราก็ยังจะว่าอีกว่าจิตชาติหน้ากับจิตเดี๋ยวนี้ยัเป็นคนเดิมอีกเนี่ยถ้าเราไม่เห็นความจริงเราไม่เห็นความจริงว่าจิตนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปผู้เจ้าท่านสอนจิตอาศัยอยู่ในกายนี้ดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวนันทั้งคืนแล้วก็วิ่งไปอย่างรวเดเร็วเราไม่ เ, เห็น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 มีความโลกความโกรธความหลงเรื่งแต่ของชั่วคราวนี่ดูลงไปอย่างนี้ในที่สุดเราจะเห็นในจิตทุกชนิดเลยนะจิตที่เป็นกูสนก็ชั่วคราวจิตอักูสนก็ชั่วคราวนี่จิตมันเปลี่นดับเปลี่นดับไปเรื่อยๆแต่ไปดูให้ละเอียดขึ้นไปอีกจิตที่ไปทางตาก็ชั่วคราวจิตที่ไปทางหูก็ชั่วคราวจิตที่ไปคิดก็ชั่วคราวหนึนั่งฟังหลวงพ่อพูดนี่เดี๋ยวมองหน้าหลวงพ่อเดี๋ยวฟังเดี๋ยวคิดสลับไปสลับมานจิตเกิดดับอยู่ตลอดเวลา หัดรู้หัดดูสิมันทนสติคนปัญญาของเราไม่ได้หรอกหัดรู้หัดดูมากเข้ามากเข้ายิเด็ดเลยโอ้จิตนี้ไม่เที่ยงนะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจิตนี้เป็นอนัตตาเราบังคับมันไม่ได้สั่งให้มันดีก็ไม่ได้นะห้ามมันไม่ให้ชั่วก็ไม่ได้คอยดูไปเรื่อยเดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็เกิดนะหัดดูไปเผลอแวบไปรู้สึกแวบไปรู้สึกไปเรื่อยนะจิตที่เผลอไป็นอกุศลเกิดขึ้นมาห้ามมันไม่ได้จิตจะรู้สึกตัวคือรู้ทันว่าเมื่อกี้เผลอไปเนี่ยสั่งให้เกิดก็ไม่ได้นะ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 ตรวรู้ว่าโกวธถ้ารู้ถูกต้องในความโกรธจะดับทันทีแล้วก็รู้อีกความโกรธดับไปแล้วถ้ารู้ไม่ถูกต้องความโกรธเกิดขึ้นอยากให้หายโกรธอยากให้หายโกรธที่จิตมีโทต่าอีกแล้วมีโทต่าตัวที่สองอันแรกไอโกรธไอคนที่บาดหน้าเราอันที่สองโกรธตัวเองที่มันมีกิเลสโกรธความโกรธที่เกิดขึ้นแล้วก็รู้ตามลงไปทีละขณะทีละขณะจิตใจตอนนี้กําลังโกรธความโกรธตัวแรกอยู่รู้ทัน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 รู้สึกไหมพอหลวงพ่อหยุดพูดใจเราเริ่มเริ่มเคลื่อนไหวนะรู้สึกไหมนี่หัดดูอย่างนี้หัดดูลงปัดุบั่ายง่ายง่ายมากแต่คนหลวงพ่อบอกง่ายมากก็เลยบอกยากเยอะนอะแต่ทบัดยัทุกองนะที่หลวงพ่อเคยดำตัดมาท่านบอกง่ายหลวงปู่ดูกจว่าง่ายหลวงปู่เทศหลวงู่ติมอะไรนีว่าง่ายง่าย หลวงู่สุวัตบอก ง, ง่ายง่ายท่านง่ายแล้วท่านก็อย่เงียบๆ เ, เปนนิดนึ่งนะแล้วท่านก็จะบอกว่าแต่มันก็ยากเหมือนกันหละทำไมมันยากเหมือนกันแหละเราไม่เคยเรียนไม่เคยรู้เราเคยฝึกแต่จะบังคับตัวเองบังคับกายบังคับใจบังคับกายบังคับใจคืออักตักกิลมัทฐานุโยกนะคือความฝึกโต่งข้าบังคับตัวเองนะงต้งเข้าใจเดินทางสายกลางเนี่ยให้รู้กายให้รู้ใจตามความเป็นจริง จิต ใ, ใจจะมีปังตุกรู้กายก็เห็นเออกายไม่ใช่ตัวเรารู้จิตจิตมันไม่เที่ยงเราบังคับมันไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราเหมือนกันจบแล้วเนะาะธรรมะจริงๆมีไม่มากหรอกครูบาอาจารย์บางองศอ น, นิดเดียวนะอย่างหลวงาปู่ดูลบอกว่าอย่าส่งกี่ดอกนอกตามนิดเดียวนะอย่าส่งกี่ดอกนอกก็คืออย่าหลงอย่าเผลอนั่นเองคอยรู้สึกตัวไป หลวงพเทียนก็สอนนะคิดเหมือนหนูรู้เหมือนแมวอย่างเงี้ยผู้บรรจ์จริงจริงแต่ลงสอนนิดเดียวเวลาใจเราคิดมันหลงไปพอเรารู้สึกขึ้นมามันก็ไม่หลงแนละ้ให้หลงก็ตายไปเหมือนแมวมันจำหลงไปแนละ้วจริงจไม่ได้ยากอะไรหรอกหลวงพอเทิดไม่เป็นนะเทิไม่เป็นหรอกธรรมดาจะสอนกนรรมฐานสอนที่ละคนสองคน สอนให้หัดดูสภาวะหัดดูสภาวะเช่นขณะนี้ใจลอยไปแล้วก็หัดรู้ไว้นะขณะนี้เหลือไปแล้วขณะนี้สงสัยขึ้นมาแล้วรู้ไว้นะเนี่ยหัดรู้ขณะนี้ฟังแล้วไม่รู้เรื่องรำคาญนะรู้ว่ารำคาญขณะนี้ชักตึงๆแล้วรู้ว่าตึงๆหัดรู้ไปอย่างเนี้ยอัดรู้ไปเรื่อยๆหลักจริงๆมีเท่านี้เองนอกจานั้นจะเป็นเรื่องวิธีการนะเห็นเรื่องอุบายแต่ละสำนักไม่เหมือนกันสำนักไหนก็ใช้ได้นะหลัก อย่าหลักให้แม่นแล้วทำกรรมฐานอะไรก็ใช้ได้อย่างใครหันพุทโธแล้วก็พุทโธของเราต่อไปพุทโธแล้วก็หันรู้สภาวะไปนะเช่นพุทโธพุทโธใจเราแอบไปคิดแล้วพุทโธใจเราแอบไปคิดเรารู้ทันแล้วใจหนีไปคิดแล้วนี่หันรู้ทันใจตัวเองหันรู้สภาวะพุทโธพุทโธไปใจสงบรู้ว่าสงบเนี่ยพุทโธไปวันนี้ใจพุ้งซ้านรู้ว่าฟุ้งซ้านหัดพุทโธแล้วก็ฝ่ายรู้ทันสภาวะในใจที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อย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 คนไหนหัดด ok, ูท <top Regular> ้องของยุกก็ดูไปนะหลวงพ่อไม่ได <t Prime> ้ห <t ale> ้ามดูท้องของยุกไปเรื่อยๆใจหนีไปคิดอีกล่ะใจหนีไปคิดก็รู้ทันใจเข้าไปเพ่งอยู่ที่ท้องก็รู้ทันใจเป็นสุขเป็นทุกข์ใจเกิดกุศลเกิดนักกุศลอะไรก็รู้ทันหัดรู้สภาวะของใจไว้นะคนไหนขยับมืออย่างสายหลวงพ่อเทียนนะหัดทําจังหวะขยับมือขยับมือไปก็ขยับต่อไปได้ไม่ห้าม ขยับไปสักพักกจิตหนีไปคิดแ ล, ล้วรู้ว่าจิตหนีไปคิดขยับแล้ ว, วจิตจเข้าไปเพ่งอยู่ที่มือรู้ว่าจิตเขไปเพ่งในมือขยับแล้วจิตเป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้จิตเป็นกุศลเป็นอน้ากุศลก็รู้ขยับไปแล้วก็คอยรู้สภาวะของจิตใจเป็นเรื่อยๆใครเดินจงกรมก็เดินไปนะเดินไปเดินไปจิตหนีไปคิดก็รู้จิตเข้าไปเพ่งอยู่ที่เท้าก็รู้จิตเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลหน้กุศลก็รู้ ฉะนั้นสรุปแล้วก็คือทํากรรมฐานอะไรก็ได้เบื้องต้นเรือทำมันสักอย่างหนึ่งก่อนทํามันเพื่ออะไรเพื่อจะได้คอยหัดรู้สภาวะความเปลีนแปลงของจิตใจตัวเองนะมีรูปแบบการปฏิบัติสักอันหนึ่งขึ้นมาเป็นตัวตั้งถนัดอะไรเอาอันนั้นแหละไม่ต้องเปลี่ยนถนะนัดอะไรเอาอันนั้นแต่ <c oughs> ว่าทํากรรมฐานอันนั้นแล้วจิตใจของเราเป็นยังไงคอยรู้ไปเรื่อย <c oughs> ในที่สุดเวลาเราเห็นซ้ํำๆๆไปนานๆนะพอจิตเราเผลอต่อไปพอจิตเผลอปั๊บเนี่ย จิตมัเคยรู้จักแล้วว่าเผลอเป็นองสติจะเกิดเองสติเกิดจากการที่จิตจําสภาวะได้สติไม่ได้เกิดจากการสั่งให้เกิดสั่งให้เกิดไม่ได้เพราะสติเองก็เป็นอนัตตาถ้ามีเหตุสติถึงจะเกิดเหตุน้องสติคือจิตมันจําสภาวะได้ถ้าเราถึงต้องหัดรู้กายเนืองเนืองรู้จิตเนืองเนืองเพื่อให้จิตมันจําสภาวะได้ขยับแล้วคอรู้สึกขยับแล้วคอรู้สึกแต่มาพอเราเผลอเราเกิดข ย, ยับตัวปั๊บเนี่ย สติจะเกิดเองแล้วจะรู้สึกตัวขึ้นมาเองโดย อ, ตอัตโนมัตินะหัดดูใจใจวิ่งไปใจเพ่ใงใจเป็นสุขเป็นทุกข์ไปกุศลเราสุขสนหัด ร, ร, รู้ไปดนะ้วยนะแต่มาเราเปลือยเปล่าเช่นเราฟังข่าวโทรทัศน์แมเราเกิดไม่ชอบการเมืองนะฟังข่าวแล้วงุหงิสดสติจะเกิดทันทีเลยความงุหงิจเกิดขึ้นแล้วสติจะเห็นทันทีเห็นโดยไม่ได้เจตนาจะเห็นสติตัวจริงเกิดขึ้นโดยไม่ได้เจตนาให้เกิด ทันทีที่สติตัวจริงเกิดจิตจะเป็นกุศลจิตจะมีความสุขในฉับลันนะจิตจะโป ร, ร่งใจจะ โ, ная, จะโล่งจะเบาขึ้นมาในฉับลันเลยจิตใจจะตั้งมั่นอยู่ที่เนื้อที่ตัวไม่ลืมเนื้อลืมตัวนี่สามามาสมาธิเกิดเลยนะเพราะฉะนั้นทันทีที่สติเกิดจิตมีความสุขจิตมันเป็นกุศลมันมีความสุขจิตที่มีความสุขหรความสุขทำให้สมาธิเกิดขึ้นะเช่นเรามีความสุขในการเล่นไพ่เราจะมีสมาธิในการ carriage, เล่นไพ่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 จิตมันจะรวมเข้ามานะมันรวมเองรวมข้าอัปนาสมาธิเองแนละ้วมันจะตัดไม่ใช่โมเมเป็นพระโสดาบันตัดใจชอบนะมันมีกระบวนการที่จิตจะตัดอันเนี้ทราบที่ทำตอนไว้ชัดๆนะไม่ใช่หลวงพ่อสอนนะนี่เบื้องต้นมันจะเห็นเลยกายกับใจไม่ใช่เราเห็นเลยกายกับใจเป็นของที่ยืมโลกเข้ามาใช้เราไปยืมเข้ามาแต่เราวบยืมมาแต่หวงนะไม่คืนเจ้าของ คล้ายๆเรายืมเสื้อสวยๆเข้ามาใส่นะยืมมาแล้วยืมเลยไม่หย่อนคืนแต่รู้แล้วว่าไม่ใช่ของเราและโซดาปันรู้แล้วว่ากายกระจายไม่ใช่ของเราแต่หวงพารู้ไปเรื่อยเลยโอ้กายนี้ทุบล้วนๆนี่ไม่ใช่ทุบบ้างสุดบ้างจิตปล่อยวางความยึดตือกายได้จิตจะมาตั้งมัน่นทรงตัวเด่นรวมนะสว่างสบายอยู่มีความตกอยู่ที่จิตอันเดียวปล่อยวางกายได้นี้ภูมิของข้านามธมี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 สติปัญญาแก่รอบจริงๆเจะเห็นี้จิตนี้เป็น mm ต is so ัวทุกข์ล้วนๆเลยนะในตัวธาตรู้ตัวผู้รู้ที่ว่าวิเตมิโสเนี่ะมันไม่เที่ยงมันเศร้าหมองได้มันห้องใสได้มันเศร้าหมองได้เศร้าหมองได้ก็ห้องใสได้ไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์นะทุกข์ล้วนๆทุกข์ไม่มีอะไรเหมือนในทางโลกในทางร่างกายนะหลวพ่อเคยได้ยินบอกว่าผู้หญิงเขาเล่าบอกว่าออกลูกนี่ทุกข์ที่สุดในโลกหลวพ่อไม่เคยออกลูกนะ เลยไม่รู้ว่าวทุกขี่สุดในโลกทางตายเป็นยังไงนีพวกเราัปมาหาดูนะทุกขี่สุดในโลกทางใจคือตัวจิตผู้รู้ของเรานี่แหละจะทุกขี่สุดในโลกที่ดู้มาเห็นว่าเป็นตัวทุกข์จริงๆแล้วจะปล่อยวางนะก็จะไม่ไปหยิบฉวยอะไรขึ้นมาอีกนะพอรู้แล้วว่ากระทั่งสิ่งที่ดีที่สุดพิเศษที่สุดยังเป็นตัวทุกข์เลยบางท่านสติปัญญากรา แค่เห็นเลยตัวจิตผู้รู้ไม่ใช่ตัวเราเหรอกท่านกวางทิ้งเลยนะท่านปล่อยวางทิ้งเฉยๆเลยปล่อยวางได้เห็นว่ามันว่างเปลา่าจากความเป็นตัวตนไม่ใช่ตัวเราไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยสลัดทิ้งไปคราวนี้พอปล่อยวางความยึดถือจิตได้แล้วมันไปอีกแบบหนึ่งจิตใจมันไม่มีขอบมีเขตแล้วมีความตกล้วนๆให้ฝึกนาให้ฝึกธรรมะของพระพุทธเจ้าอัจฉรยั เข้าใจนิดหน่อยก็มีความสุขแล้วแค่สติเกิดก็มีความสุขแล้วสมาสัมมาสมาธิเกิดก็มีความสุขยิ่งขึ้นไปอีกปัญญาเกิดก็มีความสุขอีกมีมุตเกิดก็มีความสุขมากนะถึงนิพพานยิ่งมีความสุขที่สุดเป็นลําดับลําดับไปเพราะ้นเราศึกษาธรรมะเราจะมีแต่ความสุขทั้งๆที่เราเห็นแต่ทุกข์ล้วนๆก็เนี่ยมันจะสุขนี่มันอัจจะจับเรียนรู้ทุกข์แล้วมันสุขนะ เที่ยวแสวงหาความสุขเที่ยวหนีความทุกข์มไม่พนเลยจะทุกข์อย่างเดียวนะคอยรู้ไปนะไม่มีอะไรสอนเะนาะหลวงพ่อก็พูดส่งเด็กไปเรื่อยๆแหละคนไปฟังหลวข้อที่เมืองการเมื่อที่เมืองชนมืนะ่อนะก็ไปฟังซ้ำซากอย่างนี้ทุกวันที่เก่งฟังก็เอาซีดีไปฟังนะธรรมะที่หลวงพ่อเทศแต่ละครั้งเนี่ยฟังครั้งเดียวก็พอละละถึงฟังเรื่องเดียว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 ให้คนที่ฟังแล้วตื่นขึ้นมามีจํานวนมากมายนะไม่ใช่ร้อยเดียวแล้วมีจํานวนมากาตืิมขึ้นมาเนี่ยสติปัญญ า, ยาจะหมุนจีร่าบตัวลราทันเดี๋ยวก็รู้กายเห็นกายไม่ใช่เราเดี๋ยวรู้จิตเห็นจิตมันไม่ใช่เราเดี๋ยวรู้สึกขึ้นมาไม่ใช่คิดเอานะมีปรั ส, สนาคิดเอาไม่ได้ต้องรู้สึกเอารู้สึกได้เพราะว่าใจเราไม่หลงไม่เผลอรู้กายรู้ใจขึ้นมาฉันให้กนนันบ้านไปฟังเอาเอง หนังสือหลวงพ่ออ่านยากนะอ่านยากยากฟังซีดีก่อนจะง่ายกว่าฟังไปแล้วก็ไปสเสกใจแต่ไปสักพักหนึ่งไปอ่านหนังสือโอ้จะเกิดความเข้าใจนะซีดีหลวงพ่อกับหนังสือหลวงพ่อรับราไม่เหมือนใครนะฟังแต่ละฟั ง, งแต่ละฟั้งอ่านแต่ละฟั้งเข้าใจไม่เหมือนกันปลาช้าเลยนะลองดูฟังสักรอบหนึ่งแล้วลองปฏิบัติ แล้วก็มาฟังใหม่เข้าใจไม่เหมือนเดิมหรอกลองอา่านดูแล้วปฏิบัติแล้วมาอ่านใหม่รับรองไม่เหมือนเดิมมีเรื่องที่เราเคยอ่านแล้วก็ไม่สะดุดตาสะดุดใจคิดคาไปเยอะแยะเลยอจะค่อยๆกระจายขึ้นทีละจุดทีละจุดค่อยๆฟังใ ค, ค่อยๆสะดุดตาแบบไม่ต้องรีบร้อนนะหลวงปู่เทศบอกว่าชีวิตเป็นของหาง่ายต้องรีบร้อนปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติจะทั้นชีวิตเลยค่อยๆทำค่อยๆดูค่อยๆรู้ไปแต่ไม่ขี้เกียจนะ ไม่ได้บอกให้ขี้เกียจ น, นะต้องดูทุกวันโดยยิ่งดูมากเท่าไหร่ยิ่งดีแต่ไม่ใช่ดูแบบลูกนี้ยลุกโลนอยากจะได้ความรู้ใไวไ้ใวอยากหกลุดพ้นไว้ใว้พวกนี้ไม่หลุดพ้นหรอกถ้าดูดูเล่นๆไปแต่ขยันดูดูทุกวันทุกวันนที่สุดก็เข้าใจเข้าใจมันก็จะปล่อยวางได้ปล่อยวางได้เพราะว่าเกิดความรู้ความเข้าใจาา เ, ใจเกิดปัญญาปล่อยวางได้ไม่ใช่เพราะบังคับเอาหลายก็คิดชอบบังคับตัวเองบังคับ แระคับลอยวางไม่ได้หรอกเก็บกดเฉย ด, ดูดีดูดีดูเรียบร้อยไม่ดีจริงหรอกพอหรือยั่หลวงพ่อเกลื่อนคนหนึ่งคนไม่กี่คนนะเยอะๆหรืจะพูดยังไงนะเห็นหน้าก็ตาลายย่งเห็นไหม่รับหลวงพ่า พ, พูดเส้นพวกเรารู้สึกความใจรู้สึกไหมรู้ทันความรู้สึกของตัวเอง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 ้าใครจะถามอะไรเชิญเอเดี no no. ๋ยวหลวงพ่อต้องอธิบายก่อนนะหลวงพ่อมาที่เนี่ยเพื่อจะมาสงเคราะห์คนที่ไปที่โน่นยากงั้นพวกหน้าตำตาจากที่โน่นอย่าถามเลยนะอะไรนะหนังสือเขามีแจกไง แต่วันนี้ไม่มีแล้วเนาะคุณธนาเ้าเตรียมมาสองร้อยเล่มพวกเรามามากเกินไปน <ะ S 1> ไปอ่านจากนังสือพิมพ์ได้เนี่ยเน็ตเห็นนังสือหนังสือพิมพ์อนี้อ่อนานในเน็ตก็มีมั้งนะอ่ <นะ S 1> านจากอินเทอร์เน็ตก็มีไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะรู้แต่แค่นี้แหละ <c oughs> อินเทอร์เน็ตตรงไหนก็ไม่รู้ <c oughs> ผู้จัดการผู้จัดการลงกินละนิดหรือมปล่ แล้วไม่แล้วมันมีทั้งเล่นไหนบ้าหรือให้อ่านทีละตอนเ ท, ท่าที่ออกแล้วถึคกินได้แต่ไม่ใช่ไปจริ้มขายเนา ะ, ะมันทําเที่ยวฝ่ายได้ไปเห็นเขาทําเที่ยวฝ่าเล็กนิดเดียวหนังสืออยากได้นะไปขอคุณธนานะคุณธนาเรนะืนั้นน่ะที่ดูอาวุโสมากมากหน่อยมีอยู่นะนะั่นแหละ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 ชาวลานทําแขนขายาวขับรถรถุดรัดรุดรัดเดี๋ยวข้าวัด น, นั้นวันนี้นะไช่วยตัวเองเอาหลวงพ่อเห็นใจคนที่ขึ้นรถเมย์อะขึ้นรถเมยไปยากนะทำไมเห็นใจมากเพราะแต่ก่อนหลวงพ่อไปหาครูบาอาจารย์ขึ้นรถเมยไปไปยากนะนั่งรถไปทั้งคืนเลยไปถึงแล้วยังต้องไปเดินบางทีเดินอีกตั้งวันลําบากครูบาอาจารย์อยู่ไกลน้องเชิญได้ชี ต้องเดินคืออย่างนี้การปฏิบัติที่บอกว่าอย่าบังคับหมายถึงว่าให้เรารักที่จะทําเหตุนะแต่อยากอยากได้ผลเราต้องมีฉันทะเราต้องอยากปฏิบัตินะใจมันต้มีความรักที่จะปฏิบัติมันมีคําอยู่สองคำที่ไม่เหมือนกันคนํานึงคือฉันทะคําคนึงคือปัญหาปัญหาเนี่ยอยากได้ผลที่เกียดปฏิบัตินะแต่อยากได้ผลพวงนี้ไม่ได้ผลหรอก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 ขยันก็ปฏิบัติที่เกียจก็ปฏิบัติแต่ไม่ได้บังคับนะว่าห้ามที่เกียจไม่ได้ห้ามที่เกียจนะไม่ใช่บังคับว่าต้องขยันนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เกียจขึ้นมามีสติรู้ทันว่ากาลังที่เกียจอยู่ต้องปิดต้องปฏิบัติไม่ปฏิบัติไม่ได้ไม่ใช่บังคับเช่นห้ามที่เกียจนะห้ามโกรธนะห้ามโลภนะเสติต้องเกิดนะอะไรนี้นี่บังคับเนะ หรือความโกรธเกิดขึ้นแล้วพยายามทาให้มันหายไปนี่พอโกรธขึ้นมาปุ๊บพุทโธพุทโธจะให้หายโกรธนี่พยายามบังคับจะได้แตะสมถะถ้าความโกรธขึ้นมาเราเห็นเลยความโกรธเป็นสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในใจเรามีอยู่ชั่วคราวเกิดขึ้นมาแล้วก็หายไปไม่ได้บังคับนะถึงนี้แต่ว่ากิเลสเกิดต้องรู้เพราะฉะันขี้เกียจขึ้นมาเมื่อไหร่นะดูขี้เกียจขี้เกียจก็ดูขี้เกียจไปดูไปเลยห้ามเลิกนะ จจการปฏิบัติต้องจับจิตนะต้องจับจิตจัดไม่ปล่อยหลวงพ่อเนี่ยตั้งแต่วันที่ยี่สิบสามกุมภาปีสองห้าไปหาหลวงปู่ดูลย์หลวงปู่ดูลยบอกให้ดูจิตตัวเองตั้งแต่วันนั้นไม่เริ่มดูจิตเลยนะดูทั้งวันเลยยกเว้นเวลาที่ทํางานที่ต้องคิดอ่ะเวลาที่เราทํางานที่ใช้ความคิดเนี่ยเราดูจิตใจดูกายอะไรนี้ไม่ได้ไม่ใช่เวลาปฏิบัติเขาไม่ได้จ้างเราปฏิบัติเขาจ้างเราทํางานดังนั้นให้รู้กัรู้กายรู้ใจไม่ได้ก็ต้องไปจดจ่ออยู่กับเรื่องราวที่เราทํางาน ในเวลาที่เหลือเนี่ยเราต้องฝันรู้กายรู้ใจเองหลวงพอ่อฝึกตั้งแต่เป็นคารวาสตั้งแต่ยี่สิบสามพฤษภาสองห้า 2, ดูทุกวันเลยตอนนั้นรับราชการอยู่นะตื่นนอนตอนเช้านึกขึ้นได้ว่าวันนี้วันจันทร์ใจแห้งแล้งเลยรัราช ก, การชั้นดีนะอเป็นบ้างไหม น, นี่รัฐวิษาหกิจชั้นดีนะตนื่นขึ้นมานึกได้ว่าวันนี้วันจันทร์ใจแห้งแรงรู้ว่าแห้งแรงปฏิบัติแล้วนะจะเห็นเลยความแห้งแลง้งมาได้ก็ไปได้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 จิตใจไม่มีความสุขแนละ้วรู้ว่าไม่มีความสุขเนะี่ยขึ้นรถเมล์รถเมล์ว่างๆนะมีความสุขหัดดูอีกนี่ดูทั้งวันเลยนะตากระทบรูปนะตาไปมองเห็นอะไรความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นรู้ทันพี่ใจเรานะเห็นหมาบ้าวิ่งมาใจมันกลัวรู้ว่ากลัวเนยรู้ว่ากลั ว, วแล้วต้องหลีกให้ทันนะไม่ใช่อเุเบ็ดขานะงโง่นะยืนให้หมากัดนะทั้งหลบ ไม่ใช่เหตุอุบัติขาแบบควายเลวงพระชาเรื่องบบ น, นงี้อุบัติขาแบบควายฝนตกหลังคารั่วเพาไม่ซ่อมแบบว่าอุบัติขาอะไรเงี้ยต้องมีสติปัญญารักษาตัวตามองเห็นความรู้สึกเปลี่ยนแปลงรู้ทั น, นจมูกได้กลิ่นนะเช่นเราอยู่ในบ้านเราเนี่ยอยู่อยู่ได้กลิ่นอะไรเน่าๆนะเราจะไม่สบายใจสงสัยจิงจบมาตายหรือหนูมาตายเนี่ยรู้ว่าไม่สบายใจเวลาไปอยู่ตามมัดในป่า ได้กลิ่นเน่าๆรับราไม่คิดถึงกิ้งจบกับหนูนะอะงสงตัสผีจะมาแล้วคราวนี้ทนะางนี้เปลี่ย น, นกลัวกลัวรู้ว่กลัวนี่หัดดูไปอย่างเนี้ยตามองเห็นความรู้สึกเปลี่นก็รู้หูได้ยินเสียงควารู้สึกเป่นก็รูนะ้อะไรเกิดขึ้นใจเราไปคิดความรู้สึกเปี่ยนแปลงไปก็รู้น่นนไม่ใช่ตรง น, นี้ือมีอะไรไหม เจตนาสติเนี่ยต้องทําให้ได้ในชีวิตประจําวันนะเพราะอะไรชีวิตส่วนใหญ่ของเราคือชีวิตที่อยู่ปกตินี่แหละถ้าหากเราปรฏิบัติได้เฉพาะตอนไปเข้าคอร์สหรือตอนไปอยู่ ว, วัดเนี่ยปีนึงมีนิดเดียวนะการปรฏิบัติที่สําคัญที่สุดคือที่ชีวิตประจําวันเราไปเข้าคอร์สเข้าวัดนะเพื่อรู้วิธีปฏิบัติเมื่อรู้วิธีปฏิบัติแล้วต้องมาใช้ให้ได้ในะวิธีปฏิบัติในชีวิตประจำวันที่ง่ายที่สุดนะั่นก็คือการดูจิตตัวเอง น, นั่นเอง เช่นคนเขาชมเรานะใจเราพองเลยเราต้องรู้ว่าดีใจและวคนที่เขาว่าเรานะันใจเราโมโหขึ้มนมาเรารู้ว่าโมโหแล้วอยู่ในชีวิตสัตว์นะการปฏิบัติไม่หนีออกไปจากโลกนี้เลยอยู่กับโลกนี้แหละคือคนที่เรียนกรรมาฐานกับหลวงพ่อเนี่ยนะก่อนจะเรียนจะเป็นคนดีนะแต่เรียนแล้วจะชั่วฝุดๆเลยนะ เพาะอะไรเพราะแต่เดิมเนี่ยกิเลสอยู่ในใจเราเราไม่ เ, เห็นเราก็คิดว่าเราดีแล้วแต่พอเรามาหัดรู้หดัดดูมารู้ทัน เ, นเองนะจะร้ายมากเลยมีอยู่ทีมหนึ่งเขาตั้งชื่อทีมว่าสิบเอ็ดนงางสาพอมาหัดดูสักพักหนึ่งเปลี่ยนชื่อเป็นสิบเอ็ดแม่มดฉะนัะ้นพอดูนะกิเลสเกิดทั้งวันเลยภูสนใจเกิดน้อยนะอาภูสนเกิดเยอะเดี๋ยวโรคเดี๋ยวปรดเดี๋ยวหลงเดี๋ยวเบื่อเดี๋ยวหงดหิดนะจะเป็นอย่างนี้ทั้งวัน ถ้าเก็บปวดนะไม่เป็นเพ่งนิ่งๆชื่อๆนะมีความสุขอยู่ทั้งวันก็รู้สึกว่าดีที่จริงไม่ดีซ่อนทีเดชไหมค่ะคุณถามคำถามว่าท่านบอกว่าเมื่อเราต้องเก็บอะไรขึ้นมาเป็นโกรกเรารูว่าเก็ไม่ต้องอะไรนะ ม, มันอดภาคไม่ได้ใหม่ๆมันภาคทุกคนเลยนะเราห้ามมันไม่ได้มันจะภาคภาคแล้วจิตมันฟุ้งซ่านไปเขาช่างมัน ไม่ห้ามนะห้ามไม่ได้จิตจะพลาเก็ห้ามไม่ได้ก็คนนีกลง่แล้ว น, ละลละนะมันอ ด, ดมัอดพาไม่ได้ก็ช่างหนดูไปหน้าฝึกหลายปีกว่าจะเลิกขล า, าใช่ตันนี้เราดูรูปกะครับรูันัาู อะไรนะะะออไรนะ<า>นร่สิงี้รูปที่เรารู้จักเนี่ยนะเราเราแต่ละคนไม่เห็นรูปเรารู้แต่อย่างร่างกายที่เห็นมือใช่ไหมไม่มือไม่ใช่รูปนะมือคือสมมติบัญญัติภาษาหลังไม่เรียกมือเรียกแทนคนจีนเรียกชิ่ว อ, อย่งนี้ยสิ่งที่ตาเรามองเห็นจริงๆคือรูปแา่ว่าตาเรามองเห็นอะไรเรามองเห็นสีที่ตัดกันเป็นรูปร่าอย่างนี้น แต่ตัวสีเนี่น <food> เป็นตัวรูปที่แท้จริงหรือตัวที่นั่งอยู่เนี่มีความรู้สึกตัวที่นั่งอยู่นี้เป็นรูปเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุอะไรก้อนหนึ่งที่มันมานั่งอยู่นี้ที่มันมาเดินอยู่นี้แต่ถ้ามันมีความรู้สึกว่านี่มือนี่เท้านี่แขนนี่ขานี่ท้องอะไร น, ะ น, นั่นเป็นอวัยวะต่างๆเป็นบัญญั uh oh. ติถ้าอวัยวะแต่ละชิ้นที่เป็นรูปจริงๆก็คือธาตุ as, นั่นเองสิ่งที่เรียกว่าผมก็คือธาตุอย่างหนึ่ง ก็ธนะาตุกลุ่มหนึ่งไม่ใช่ธาตุอย่างหนึ่งธาตุกลุ่มหนึ่งนะที่เราสมมุติเรียกว่าผมคนะเล็บปันหนังก็คือธาตุแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มนธะาตุสีน่นะั่นแหละในชีวิตจริงเราจะต้องรู้จุดไปในเรื่การเห็ น, น, นรูปทีนี้เราไม่สามารถบังคับจิตให้เห็นรูปได้นะจิตจะเห็นรูปได้ดีถ้าจิตตั้งมั่นเตียงพอเพราะฉะนั้นคนไหนที่อยากจะรู้รูปนี่นะควรจะทํำสมาธิสะก่อน พอจิตเราตั้งมั่นคอเนี่ยมันจะแยกรูปกับนามออกมาใจมันจะเป็นผู้รู้ผู้ดูร่างกายยมันจะเป็นรูปให้ดูมันจะเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุให้ดูเราจะรู้สึกทันทีเลยตัวนี้ไม่ใช่เราละเป็นก้อนอะไรก้อนหนึ่งอย่างนี้เราจะรู้สึกถึงความมีอยู่ของสิ่งบางสิ่งที่เรียกว่ารูปจิตมันต้องถอนถอนขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูเพราะฉะนั้นก่อนที่มันจะมาเจริญปัญญาเป็นกายเป็นตัวรูปรูปไม่เที่ยงรูปเป็นทุกข์เป็นอนัตตาได้เนี่ย จิตต้องตั้งมั่นพอเพราะฉะนั้นกายานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับสมถะญาณิเหมาะกับคนเล่นการผูู้บาอจารย์เราส่วนใหญ่นะมาสารูปถิเนี่ยส่วนมากครูบาอจารย์ใสยวัดป่าให้ครูบาจารย์วัดป่าทำสมาธิก่อนมาทำสมาธิจนจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะหลวงพ่อเข้าวัดป่าสมัยก่อนนะเข้าวัดไหนก็จะได้ยินครูบาอจารย์พูดแต่คำว่าจิตผู้รูนะ้เดี๋ยวนี้รุ่นหลังๆเนะี่ยเข้าไปที่ไหนได้ยินเรื่องมิมิตรู้สึกนะมิมิตไม่ใช่เรื่องจิตผู้รู้ละมันเปลี่ยนเรื่องไป สนะมัยก่อนเข้าตรงไหนครูบาอาจารย์จะสอนจศรษฐกิตผู้รู้มีจิตตั้งมั่นอยู่เป็นคนดูนี่ทําไมจิตถึงตั้งเป็นผู้รู้ขึ้นมาได้ท่านหักพุโทโธหัดหายใจไปพุโทโธพุธโทโธไปแล้วก็เห็นเลยพุโทโธเนี่ยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าหรือหักหายใจไปก็เห็นนะเออไอตัวที่หายใจอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าแล้วจิตจะตั้งมั่นอยู่ตระหานะร่างกายอย่านี้จิตมันตั้งเป็นคนดู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 มิจฉาสมาธิประเภทนั่งเคลิ้มงอกแงงอแงไม่ได้กินหรอกนะขาดปกิของมันนั่นเองทีจะฝดูตาดูปกติไปแค่เห็นร่างกายนี้มันเดินอยู่นะเห็นกายมันเดินใจเป็นคนดูอยู่อย่างนี้แต่ถ้าจะดูจิตก็คือตามันมองเห็นความรู้สึกเปลี่ยนรู้ทันดได้ยินเสียงความรู้สึกเปลี่ยนรู้ทันดูกายก็ไ ด, ด, ได้ดูใจก็ได้แล้วแต่จนะหลุดการดูจิตใจนี้ไม่ต้องทําสมาธิก่อนนะสมาธิจะเกิดทีหลังนะเป็นปัญญานําสมาธิ การดูกายเนี่ยใช้สมาธินำปัญญาดูจิตทำไมไม่ให้ทำสมาธิก่อนเช่นจิตฟุ้งซ้านเนี่ยถ้าไม่ทำสมาธิก่อนจะไม่มีจิตฟุ้งซ้านให้ดมูมีแต่จิตสงบก็นะจะเที่ยงอรือย่างนั้อ น, น่าเชิดวิทีอะไร น, นะรักษาัพตุณคุณต้องเป็นผ้าหนักชาให้ได้ก่อน <c oughs> เอ อ, อยังไม่เป็นไม่ละหรอกนะ <c oughs> คุณเจ้า เคยนะสมัยก่อนนีคล้ายๆอะไรนะเป็นเพื่อนกันหลวงพ่อใกล้คิดกันมากเลยนะเหมือนพี่เหมือนน้องกันไปวัดด้วยกันกตอนนั้นถัดใหม่ๆเลยไปหาหลวงปู่เทศกระอองอะไรๆนะไปหาหลวงปู่เทพนะก็ถามประโยคที่คุณถามนี่นะคล้ายๆกันหลวงปู่ครับผมจะละกลามจะทํายังไงหลวงปู่ยิ้มหวานนะแต่ท่านใจดีน่าใจดีกว่าหลวงพ่อเยอะเลย ท่านก็พยายามตอบให้จะละได้ต้องเห็นโทษนะเห็นละกามนรรมี้มีทุกข์มีโทษถึงจะละได้แต่คนที่จะเห็นละกามรร ม, มีทุกข์มีโทษต้องเป็นธาตุหนาท่าถึงจะเห็นนี้ของเราก็คือแต่เทาวความรุนแรงของมันจะตั้งขั้นแรกเลยมีศีลศีลสำคัญนะมีศีลก่อนถึงต้องการในการมคุณอารมณ์รุนแรงแค่ไหนอย่าให้ศีละศีลเป็นมาตรฐานขั้นต่ํ า, ส, าสุดของมนุษย์แล้ว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 หรือไม่ได้จริงๆเนีเวลาการมาราคาอะไรเกิดขึ้นมันจะชวนให้คิดมันจะชวนให้คิดเช่นคิดถึงสาวอย่างนู้นอย่างนี้คิดจะเป็นหลอกเ้าแล้วชอบก็พามันคิดเลยคิดสฏิปุ้นคิดอสุภะอะย่างนี้นี่เป็นการเป็นผมเอาไว้เรียกว่าสมถะธรรมาเพราะฉะนั้นเราจะสู้ด้วยสมถะก็ได้สู้ด้วยวิปัสสนาก็ได้แล้วแต่ความพร้อมทางจิตใจของเราพอกรรมมาราคาเกิดขึ้นรู้ทันมื่กรรเกิดขึ้นการก็ตั้งอยู่ดับไปให้ดู จิตขอเราเป็นแค่คนดูไม่ได้เกื้อเงานอะไรกับกามเลยนี่แบบหนึ่งนะอีกแบบหนึ่งสมมติว่าตู้ไม่ไหวจริงๆนะทำมสมทาธิสมาธที่เหมาะกับการสู้กรรมก็คือการพิจารณากายลงเป็นปติปุญนาสุาพะครูบาอาจารย์ชอบสอนเยอะนะในครูบาอาจารย์วัดป่ า, าชอบสอนปฏิปุญญาสุาพะเพรามันคงรางคะนะถ้าหนุมเนมน้อยก็มาพิจารณาอย่างนี้ก็เอาตัวรอดได้ถ้าเกินไปพิจารณาสุาพะเนี่ยโอ้นอนท์ก็สวยนี่ก็สวยนะเดี๋ยวก็เสร็จเลย แต่คุณยังละไม่ได้นะขั้นแรกฝึดคุณรือสิ้นไว้ต่มาหักเจริญสติฝึกให้สติตัวจริงเกิดะวิธีทําสติให้เกิดก็คือหักรู้สภาวะไปเหลือไปแล้วก็รู้คิดไปแล้วนะเพ่งแล้วก็รู้สุขก็รู้ทุกก็รู้ดีก็รู้ชั่วก็รู้นะราคะเกิดก็รู้โทสะโมหะเกิดก็รู้ไปเรื่อยๆแต่ไปสติเกิดพราคะเกิดทุกสติเกิดปั๊บเลยราคะจะเด่นหายไปเลยต่อหน้าต่อตา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 ไม่ก็โมหะดูยากนะหายติดเพราะว่าความรู้สึกตัวกับโมหะเนี่ยตรงข้ามกันนะโมหะเป็นความไม่รู้เป็นความหลงเป็นความไม่รู้ความรู้สึกตัวก็คือไม่หลงแต่ว่าพอความรู้สึกตัวความไม่หลงเกิดขึ้นแล้วเกิดชั่วขนัดนะเดี๋ยวความหลงก็จะเกิดขึ้นแทนนะแล้วแต่เราก็รู้ทันใหม่ความไม่หลงก็เกิดขึ้นมาใหม่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 ถ้าเข้าใจแล้วเราจะเข้าใจจิตทั้งหมดยกตัวอย่างจิตที่เปลอไปกับจิตที่รู้สึกตัวเรียนมันคู่เดียวก็พอละนะหรือจิตที่มีราคะกับไม่มีราคะจิตที่มีโทสะกับไม่มีโทสะในสติสัตยานั่นจะสอนจิตเลยเป็นคู่คู่นึกออกไหมเด็กคู่เดียวก็พอนะถ้าจิตที่ไม่มีราคะกับมีราคะมันเกิดตลอดเวลาละจิตก็มีสกลุ่มเท่านั้นเองคือจิตที่มีราคะกับไม่มีราคะแยกด้วยราคะนะถ้าแยกจิตทั้งหมดด้วยโทสะก็มีสองกลุ่มคือจิตมีโทสะกับไม่มีโทสะ ถ้าเรียนจิตได้สองตัวนี้ก็คือเรียนจิตทั้งหมดได้แหละนี่เรียกว่าจิตในจิตส่มตัวอย่างมาเรียนนะสิ่งที่หลวงพ่อแนะนําก็คือจิตที่เผลอไปจิตมีโมหะกับจิตที่รู้สึกตัวขึ้นมาจิตที่มีโมหะจิตที่เผลอที่หลงในพอไหลแวบเราเกิดรู้สึกว่าไหลไปแล้วเกิดจิตที่รู้สึกตัวนะเดี๋ยวอีกแวบหนึ่งก็จะไปอีกแล้วก็จะรู้สึกอีก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 เรียนส่วนย่อยแล้วรู้ทั้งหมดเรียกว่าเรียนแบบสุ่มตัวอย่างแต่ศาสตราเราเรียกว่ากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตเรียนส่วนน้อยแล้วรู้ทั้งหมดไม่คุณเรียนแค่ว่าใจเราไหลไปแล้วเราก็รู้ทันก็ลุกตื่นขึ้นมานิดนึงไหลไปอีกรู้ใหม่มีคนหนึ่งน้าอาจารย์สุรวัตเรเขียนหนังสือเรื่องนับหนึ่งใช่ไหมมีแต่รู้กับเหลอรู้กับเปลอกนะนั้นแหละไปลองไปอ่านดูนะเล่มเล็กๆ ถ้าเข้าใจตรงนั้ น, นามาทําได้แล้วทำได้ทั้งวันนะเพราะจิตเราทั้งวันมีแต่จิตที่รู้กับจิตที่เปินะถ้าแยกด้วยความโหลเนี่ยธ ร, รรมะเรียนไม่ได้ด้วยการคิดธรรมะเรียนไม่ได้ด้วยปากการฟังคําตอบนะทําอะไรความสงสัยเกิดขึ้นในจิตคุณรู้ว่ากําลังสงสัยอยู่ความสงสัยนั้นน่ละจะเป็นครูสอนธรรมะคุณคือความสงสัยจะแสดงควานเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปให้ดูนะ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 เอดิปั D ิโกพึงกล่าวกับผู้อื่นว่ามาลองดูเถอดเห็นไหมไม่ได้ยกธรรมะให้นะแต่ให้มาลองปฏิบัติ ด, ดูนะวิธีลองทำยังไงโอปนัยยิโกน้อมเข้ามาหาตัวเองน้อมมาเรียนรู้กายมาเรียนรู้ใจตัวเองเสร็จ แ, แล้วจะมีปัจจังเวทที่ตัดโฟวินยูหิวินยูชนรู้ด้วยตัวเองธรรมะต้องรู้ด้วยตัวเองนะลลืมตาไว ถ้านั่งสมาธิแล้วหลับนะเดินไหมเดินจงกรมไหมนะแต่ว่านิสัยพวกเราพอชอบนั่งสมาธิเราชอบไปนั่งหลับตากนะานั่งหลับตาเดี๋ยวเดี๋ยวก็เพิ่มง่ายนะยิ่งเปิดเพปครูบาอาจารย์ที่เสียงนุ่มนุ่มหน่อยนะฟังไปเดี๋ยวก็คำนับถ้ำไปเรื่อยนะคำนับไปชั่วโมงตื่นขึ้นมาแหมสดชื่นบอกวันนี้ภาวนาดีนะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนะ้าเดี๋ยวปัณณนะสติตัวจริงของคุณมันยังไม่เกิดขึ้นมาแล้วต้องค่อยค่อัดสังเกตสภาวะไปเช่นพอคนก็ช ม, มแล้วใจเราพองขึ้นมาก็รู้ถ้าเห็ในใจมันพองชั่วคราวแล้วก็หายไปมันกรัวชั่วคราวแล้วก็หายไปก็อยู่ดูเล่นๆของคุณดูจริงจังเดินไปจริงจังเดินไปแล้วเครียดถ้าอะไรปฏิบัติแล้วรู้สึกเครียดแล้วก็แสดงว่าทํำผิดแน่นอน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 งั้นจิตดวงนั้นที่เกิดขึ้นนะเป็นอาบุศลสจิตนะางั้นไม่ไม่หายความโกรธไม่หายเ้าเราเติมเชื้อของความโกรธลงไปเรื่อยๆแต่ถ้าสติตัวจริงเกิดในอาบุศรจะต้องดับทันทีเลย เออเดียวหลวพ่อหลวง้่อปรับเลยนะปรับรวมๆเลยนะพวกนั่งสมาธิแล้วก็เคลิ้มเคลิมโยกโยกเกิดอาการต่างๆนานานะลุกขึ้นมาเดินจงกรมไหมนะไม่มันเดินเป็นเพราะว่าอะไรรู้ไ้มเพราะใจเราเนี่ยน้อมเข้าไปหาความนิ่งเราไปบังคับตัวเองไปน้อมใจเข้าไปเกาะความนิ่งนิ่งลืมตัวแล้วรู้สึกไหมเวลาที่ถามหลวงพ่อรู้สึกไหมโลงไปอยู่กับความคิด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 มันเป็นอัตราหรือถึงจะทาได้อยากหายไหมให้รู้ว่าอยากนะกิเลสเกิดขึ้นมาให้รู้ทรงรู้ทันกิเลสเรานะอย่างเช่นตอนวัาเรานั่งแล้วงกอเงีงงเงีง้ยทำไมอยากหายอยากหายมีหลายวิธีเลยอยากหายรู้ว่าอยากหายไปใจเป็นกลางกับมันแล้วมาดูซิทำไมมันงกเงียเพราะมันขาดสตินะการทำสมาธิต้องมีสติกากับตลอดสายนะการปฏิบัติทำยิ้งสติไม่ได้ ถ้าเราทำสมาธิโดยทิ้งสติมันจะกลายเป็นมิจฉาสมาธิฉับปันเลยจะเคิ่มๆ เ, เดี๋ยวก็เห็นโน่นเห็นนี่นะไม่เห็นก็บุญแล้วนะแค่เห็นด้วยตาก็กิเลสมาไม่ทันแล้วนะเห็นด้วยใจยิ่งไฟใหญ่เลย แต่ว่าสิ่งที่คุณปล่อยตอนนี้คุณจงใจปล่อยไปคุณรู้สึกไหมในใจของคุณมีส่วนหนึ่งที่นิ่งคงที่อยู่ส่วนเนี้เป็นส่วนที่แปลกปลอกขึ้นมะาต้องปล่อยด้วยปีปัญญาไม่ใช่ปล่อยด้วยการผมใหไว้ก็ถูกเหมือนกันเอ อ, เ อ, อพุทโธได้นะ<ม>ได้สมถะ นะเช่นความโกรธเกิดขึ้นเราพุโทโธหรือเราโกรดน้อโกรดน้อหายโกรธเนี่ยเราแก้ความโกรธได้นะได้สมถะนะจิตใจสงบก็ดีแล้วนี่ ด, นะดีแล้วยางน้อยก็ไม่แ ป, ปแลอัายละเออดีนะออนะแต่ดีแบบสมถะแก้อีคนละพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยนะธรรมะมีสองขั้นนะธรรมะมีสองส่วน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 คุ ณ, ค, ณคุณรู้สึกไหมคงที่มีสติอยู่เนี่ยมันมีส่วนหนึ่งที่นิ่งอยู่ตลอดใจเรามีความนิ่งคงที่อยู่อันหนึ่งดูออกไหมอันนี้คือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเราสร้างขึ้นมาก็าอะไรเพราะเรากลัวจะเผลอกลัวจะหลงเราก็เลยสร้างความนิ่งคงที่ไว้อันหนึง่งเราจะเห็นเลยทุกสิ่งผ่านมาแล้วผ่านไปหมดทุกรูปเกิดขึ้นมาแล้วดับเสียงมาแล้วดับนะกิเลสในใจมาแล้วประดับสิ่งที่ไม่ดับอยียงเดียวคือใจเราที่นิ่งนิ่งอยู่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 เอานี้เอานี้นะหลวงพ่อว่าถามหลวงพ่อเท่าไหร่ก็ไม่จบนะแต่มีซีดีแล้วเอาซีดไปปังนะซีดีหลวงพ่อเนียหลวงพ่อกล้าท้าอย่างไรตอบได้ทุกเรื่องไปต่างร้นนะเอาวันนี้สส่วนแก่เวลานะยัดโยงละครในเจ้าของสถานที่ก็ให้ถึงขีดมุ่ ยถาวริวะหาภูราปริภูเรนตีสาภังเอวเมวาอิโตินังเปตาังุปสัติอิชิตังปะติตังตุมทังจิตเะเมวาสมิสตูสัพเพภูเรนตูสังกป่าจันโทปันนารโตยะถามณิโชติราโยยะถาสัพพีีโยวิวัตันตูสัพโรโควินัสตูมาเตภวัตวันตาโยสุทีทีคาโยโภภาว อาภิวาทนาสีลิสเิจังชาปชายโนจัตตาโรโธรรมาวทชันตีอายุวันโนสุขังพระลังอาเชิญกลับบ้านหลูพ่อก็ไปกัน